เรื่องที่21คนพัฒนาไปพัฒนาไปเห็นอะไรอะไรก็น่าทำความคิดสร้างสรรค์ก็เกิดมีพูดคุยกับพระนวิกะในพรรษา31ดตุลาคมพุทธศักราช2553 แล้วนี่มีกำหนดกันยังไงบ้างแล้วในหกรูปเนี่ยลึการลาก็ตกลงก็อยู่รับกระถิ่นหมดใช่ไหมฮะทุกรูปนี่มีนัดมีกำหนดอะไรกันยังไงบ้างในหกรูปเอเอพร้อมกันเลย วันที่แปก็วันกระถินนั่นแหละอ๋อเจ็ดอ๋ 7, อเจ็ดแล้ววันรุ่งขึ้นก็ลาลาสี่ลูก อ, องไหนฟังาสี่ลูกทารินรงท่มมานอะไรปรมัดธรรมะด้วย <laughs> <ๆ> <laughs> องเล็กทำไมรีบลาล่ะ <laughs> เออก็ là สี่ก็เลือดสองสองเอกกระพงแล้วท่านวิทภพงอ๋อวิทภพงกับเอกกระพงแล้วกำหนดอย่างก็เดี๋ยวต้องไปคุยกับพี่ทางที่ทำงานก่อนโอ้แต่ว่าลาไว้สี่เดือนนะฮะโอ้ก็กำหนดคอนข้างแน่นอน แท่านเอกพงศเอ๋ไไอไม่มีเรื่องลางานอะไรนั้นอ๋อยังงั้นก็เป็นอิสระอย่างไงก็กำหนดได้ตามสะดวกงกัก็ดูไปเรื่อยๆก่อนออสบายๆเอ้าก็ดีล้แต่ เขาจะไปเมื่อไหร่ล่ะก็ธันวาก็ไม่ชาแล้วนี่ mm hmm. โอ้ก็หมายว่าตั้งก่อนนั้นสิอ้พี่สาวไปเรียนหรือไปทำงานพี mm ่สาวเขางานแล้วโอ้เขาก็ไปนานเลยสิจ้งิน mm hmm. ไปอยู่เลยแหละไปอยู่ที่โน่นไปอยู่ที่ไหนนะ อ๋อไปอยู่สามีก็ทำงานที่นั่นอ๋อก็แปว่าก็ต้องไปอยู่นั่นเลยอก็เลยต้องไปช่วยโยมอ้าวก็เอาทำงางเป็นหน้าที่นะก็ช่วยกันไปก็เรียกว่ามีเวลาดูอีกสักเดือนกว่ากว่าอ้าวโอเลกนัน รัฐนี้ก็อยู่ใต้รัฐวอชิงตันอยู่ตะ ว, วันตกสุดกเกือบสุดต่อกันนะกับรัฐวอชิงตันเป็นรัฐที่มีทิวทัศน์สวยงามมีป่าสนอะไรภูเขาสะเลสาบเคยไปไหมเคยไปนะเลย อ, อยู่ที่กรงไหนแล้วท่านไปนอะไรก่อนอยู่ตรงเมืองอยูจีน อยู่ใกล้ๆกับพอตแลนด์ผมได้แต่ผ่านก็เป็นเป็นป่าเป็นต้นไม้เยอะนั่นแหละป่าสนเยอะแล้วมีภูเขาสูงสูงทิวทัศน์สวยงามดินแดงกับพวกอินเดียนแดงสมัยก่อนซีแอตเทิลเ็นก็ชื่อของอินที่เมืองหลวงของรัฐวอชิงตันดี วัจิงตันนั่นแหละก็เป็นชื่อของโอน้าเผ่าอินเ ด, นเดนียนแดงซีแอตเติลตอนนั้นก็ประธานาธิบดีเพียสเนี่ยเป็นผู้ติดต่อขอซื้อดินแดนแถบนี้จากโอน้าเผ่าซีแอตเติ ก็ติดต่อขอซื้อเสียเต้นกเขียนจดหมายตอบ <c oughs> อเมริกาก็ตื่นเต้นกันในยุคสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าก่อนไม่ตื่นเต้นถือว่าพวกอินเดียนแด ง, งโง่นี่พอมีภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เลยตื่นตัวขึ้นมาเห็นคุณข่าของพวกอินเดียนแดงแล้วพากันเอาจดหมายของเสียเต้นเนี่ยมาเปิดเผย ก็มีผู้บอกว่าไม่ได้ข้อความได้ตรงอะพวกนี้ก็มาเขียนคล้ายๆว่าเขียนเป็นจำนวนของฝรั่ง <g iggle> อินเซอร์ตันเขาก็ตอบประธานาธิบดีเพสบอกว่าเอ๊ะอะไรกันท่านจะมาซื้อขายแผ่นดินและผืนฟ้ามีที่ไหนเกิด <g iggle> มาไม่เคย <g iggle> <g iggle> ได้ยินว่าไอ้ผืนฟ้าแผ่นดินอะไรนี่มาขายกันได้เหมือ <g iggle> <g iggle> <g iggle> นกันคล้ายว่า ในความคิดของชาวอินเดียนแดงนั้นมันเป็นที่ฝังที่อยู่ของบรรพบุรุษตายก็ทับถมกันมานะมันไม่สามารถเป็นสม บ, บัติของใครถ้าอย่างภาษาเราก็คือมันก็เป็นของธรรมชาติถ้าว่าจริงแล้วมันก็เป็นของธรรมชาตินั่นแหละนะมนุษย์ก็มาจัดกันเอง เรมาขีดเส้นกันแบ่งกันคนนั้นคนที่เป็นเจ้าของที่แท้มันก็ไม่มีของใครใช่ไหมของธรรมชาติแบ่งบนดินไม่พอเป็นแบ่งบนฟ้าอีกเลยเนี่ยพอเข้ายุคอวกาศก็แบ่งบนฟ้าอีกขีดเส้นกันไปก็เส้นสมมติท่านั้นสมัยก่อนตอนยุคแสวงหาอนานิคมอันนั้นก็ สเปนกับโปรโตุเกสก็เป็นกลุ่มแรกที่ออกหาอาณานิคมโปรโตุเกสออกหนึ่งและสเปนออกแข่งก็เกิดการขัดแย้งแย่งชิงกันทั้งสองประเทศนี่ก็นับถือโป๊ปเพราะว่าเป็นคาทอลิกเด็ ก, กันแล้วก็ยุคนั้นก็โป๊บเป็นใหญ่ทะเลาะ ก, กันก็เลยต้องไปหาโป๊ป ปอบก็เลยเอาแผนที่มาแล้วก็ขีดเส้นแบ่งบนแผนที่โลกอา้าวขีดลงไปตรง น, นี้ด้านตะวันออกโปรโตุกเกสเอาไปด้านตะวันตกสเปนเอาไปแผนดินไหนแผนดินในนดนในก็ตามที่ไม่มีพระเจ้าเบิดดินคริตครอบครองให้ยึดได้เลยได้ว่าเงินเนี ก็หมายความว่าถ้าเขามีพระเจ้าแผ่นดินคริสต์อยู่แล้วก็ต้องให้เขาเป็นเจ้าของไปแต่ถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นของสองประเทศเนี่ยแดนตะวันออกก็โปรตุเกสก็เอาได้หมดตอนนั้นก็โปรตุเกสก็ออกมาเนี่ยตะวันออกเนี่ยมาทางหมู่เกาะอินดิสเนี่ยนะหมู่เกาะอินดีสมาทาง ลังกาเนี่ยโปรตุเกสก็เอาลังกาเลยนะอุตสาหศาสนาเกือบราบมหมดเข้ามาทางเนี้ยทางอินโดนีเซียทางอะไรพวกเนี้ยมาโปรตุเกสสเปนก็ไปนู่นยึดลาตินอเมริกาหมดใช่ไหมแล้วก็ไปขึ้นไปอเมริกาไปรบต่อมารบไปรบอ่ะคือยึดไปยึดไปพอถึงยุคอังกฤษออกบงัง พวกอังกฤษฝรั่งเศสนี่ออกล่านานิคมที่หลังโปรตุเกสสเปนก่อนที่จริงโปรตุเกสสเปนแล้วก็ฮอลันดาอย่างฮอลันดามาก็มาแย่งลังกาจากโปรตุเกสแล้วก็มาแย่งแถวเนี้ยไอ้พวกแถวอินโดนีเซียอะไรต์อะไรเนี่ยฮอลันดาเก่งกว่าโปรตุเกสสู้ไม่ได้ ก็เนฮอลันดาหรือดัชนี่ก็แย่งจากโปรโตุเกสแต่ยุคแรกก็โปรโตุเกสกับสเปนฝ่ายสเปนนี่ยังแข็งก็ไปทางตะวันตกตามที่โป ร, โปรบขิดเส้นให้ก็อย่างที่ว่าละตินอเมริกาทีนี้พอยุคหลังนี่ดัชออกทางนี้ก็โปรโตุเกสก็ย่ยำแย่ย ต่อมาฝรั่งเศสอ อ, อ, ออกอังกฤษออกเอาละทีนี้พวกก่อนก่อนสู้ไม่ได้ดัชชิดแพ้หมดมาเลเซียนี่ก็ดัชชิของอยู่ก่อนอังกฤษก็แย่งออกไปนะแล้วก็ไปสเปนอังกฤษก็ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยโป๊บนี่ <c oughs> ไปได้หมดอังกฤษแกเป็นโปรเตสแตนต์นนะแกก็ไปทางตอนตกด้วย ก็ไปแย่งกับสเปนประเทศสหรัฐอเมริกานี่ก็สเปนก็เข้าไปเอาด้วยอังกฤษก็เอาสู้รบกันนะสู้อังกฤษไม่ได้นะดัชเดอรแพ้หมดก็ดัชก็สูญเสียหมดดัชนี่ก็เอาทั้งตอนออกตอนตกทางมาเลเซียนี่ก็ดัชก็เคยครองก็ต้องสู้อังกฤษไม่ได้ก็ เสียให้อังกฤษไปลังกาดัชก็แย่งจากโปรโตุเกสเสร็จแล้วก็ต้องแพ้อังกฤษอังกฤษก็เอาไปหมดนี่ไปรบกันที่ อ, อ, กก เ, อ เ, เมริกาก็สเปนก็รบกับอังกฤษที่แผ่นดินสหรัฐอเมริกาในที่สุดก็สู้ไม่ได้ <c oughs> ยังเกาะแมนฮัตตันนะ่นะนิวย ork. อร์กแต่ก่อชื่อนิวอัมสเตอร์ดัม ชื่อเดิมนิวอัลสเตอร์ดัมก็อะไรล่ก็ของดัชเนอแลนดาแล้วก็ยกต้องแพ้ให้อังกฤษไปก็อังกฤษก็เปลี่ยนชื่อเป็นนิวยอร์กก็งั้นก็บอกว่านิวยอร์กนี่ชื่อเดิมว่านิวอัลสเตอร์ดัม <c oughs> พอคารดาซื้อจากอินเดียนแดงยี่สบสี่เหรียญ น, นี่ราคาเกาะแมนฮัตตันที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลกเลยนะใน้ลมูลค่าไดนิทอะไรนี่แหละประวัติศาสต ร, ร์ก็ไปอนว่าดัชก็แพ้อังกฤษสเปนก็แพ้สู้อังกฤษไม่ได้อังกฤษก็ครอบครองมาจนกระทั่งพวก คนอังกฤษเป็นต้นที่ไปอยู่ในนั้นเป็นอเมริกันก็มากู้อะไรประกาศอิสรภาพจากอังกฤษอีกทีนฝะรั่งเศสก็ยังใกล้เคียงกับอังกฤษเรียกว่าคู่ขี้กันแต่ก็ยังแพ้อังกฤษฝรั่งเศสก็ขึ้นไปได้ทางบนแคนาดานะใช่มั้ย แคนาดาก็เป็นดินแดนฝรั่งเศสไปก็เป็นเรื่องของรัฐทีอนาณิคมเนี่ยประเทศไทยเราก็บุดวิดใช่ไหมเนีก็ทางไซด์ถ้าถือพระมายู่ไซา์ก็เป็นของอังกฤษไปขวาอินโดจีน ลาคมิเอลาคมิเอเวียดนามก็เป็นของฝรั่งเศสไปไทยนี่ถ้าอังกฤษฝรั่งเศสก็จะแย่งกั น, นก็เหตุผลหนึ่งที่ทำให้อยู่ได้ก็เพราะว่าเขาแย่งกัน <c oughs> <c oughs> แล้วอย่างหนึ่งก็คือไทยก็ยอมเสียนนเสียนี้ให้อังกฤษแล้วก็ยอมเสียทางมาเลเซียไปเยอะใช่ไหมเราเสียทางพมา่า แล้วก็ทางตอนออกก็เสียพวกแผ่นดินทางลาวเขเมรให้แก่ฝรั่งเศสเสียมราชพระต บ, บองเคยได้ยินไหมฮะแต่ก่อนนี่มีเพลงเสียมราชพระต บ, บองบ้านพี่เมืองน้องมาชานานอะไรเนะี่ยตอนยุคตอนยุคเขาเรียกกันอะไรสงครามบุรภพาอะไรนะมหาเอเชียบุรภพาตอนนั้น ญี่ปุ่นมาก็เอาอันนี้ขึ้นมาอ้างเพื่อจะยุคไทยให้สู้กับฝรั่งเศสแล้วก็ญี่ปุ่นก็มาขับพวกฝรั่งออกไปเออเรื่องยืดยาวก็มาคุยกันไปนี่ก็ที่จริงก็เรื่องธรรมะเท่านั้นน่ะถ้าพูดไม่เป็นสาระท่านเรียกก็เป็นติลฉานกถา พูดเรื่องเหล่าเนี้คือพูดว่าใครจะเก่งกกันพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นกับพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ใครเก่งกันเลยเนี่ยนะพูดไม่เป็นเรื่องเป็นลาวไม่ได้สาร ะ, ะถ้าท่านเรียนกติลัชานะก็ถาแต่ถ้าพูดเป็นเรื่องว่าเออมันเป็นเหตุเป็นผลยังไงทําให้โลกจเจริญเสื่อมยังไงมันเพราะอะไรคนจึงเป็นอย่างนี้จะแก้ปัญหายังไงอย่างนี้ท่านหมาว่า พระเจ้าเองก็จัดเยอะเลยเรื่องอย่างเงี้ยจัดเรื่องความเป็นไปในโลกเอามาปรารบเพื่อจะได้ให้เกิดปัญญารู้เข้าใจธรรมะเห็นทางแก้ปัญหาของมนุษย์พอเนี่ยมันแสดงชัดเลยซึ่งปัญหาของมนุษย์มันก็เบียดเบียนกันไม่รู้จบแย่งชิงอำนาจกัน <c oughs> ย่งจริงทรัพยากร นิมนต์นะครับคุยกันไปฝ่ายเดียวนิมนต์มีอะไรถามคุยแลยกันได้คุยแบบอิสระนะนิมนต์ครับมีอะไรใครจะถามอะไรก็ตาม <c oughs> มนต์ก็ขออนุญาตเรียนถามประเด็พระคุณครับกเ็เห็นเนื่องจากว่ า, าพระใหม่ก็เห็นว่าเออไม่มีคำถามกันแล้วครับผมก็เลย จะขออนุญาตขอโอกาสถามนะครับก็จะมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสารรค์ครับว่าทําอย่างไรเราถึงจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์นะครับเพราะว่าก็สืบเนื่องจากว่าตอนตอนสมัยผมที่ เ, เคยเรียนมัธยมนะครับบอกว่าที่ผ่านมาว่าอยากเรียนเก่งวิชาไหนเราก็ขยันอ่านหนังสือวิชานั้นแล้วก็ หมันทำโจทย์มั่นทาความเข้าใจอย่างี้นะแต่ว่าพอได้มาเข้ามาเรียนคณะสถาปัตย์ซึ่งต้องเป็นคณะที่มีการใช้ความคิดสร้างสารรค์นะครับทีนี้ก็เลยว่าความคิดสร้างสารรค์เนี่ยตอนนั้นก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเออเราจะต้องขยันทำอะไรเราถึงจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ได้ครับเพราะว่าของแบบนี้บางทีความคิดดีๆไม่ใช่ว่าขยันแล้วจะมีความคิดดีๆออกมาได้หรือว่า เราจะคิดนานหรือว่าคิดนานกว่าคนอื่นบางทีคนที่คิดอะไรในช่วงเวลาแว บ, บเดียวอาจจะได้ความคิดสร้างสารรค์อะไรดีๆออกมานะครับก็เลยอยากจะกราบเรียนหลวงพ่อในลักษณะนี้ครับว่าเออการที่เราจะมีความคิดสร้างสารรค์นี่เราควรจะต้องขยันทำอะไรแล้วเราควรจะต้องทายังไงเราถึงจะมีความคิดสร้างสารรค์ครับก็เอาเป็นหลัก ถ้าพูดตามหลักก็ขึ้นว่าหนึ่งต้องมีฉันทะฉันทะก็คือความอยากความต้องการความอยากในทางที่อยากจะทํคาคําว่าฉันทะนี่แปลว่ากตุ ก, กรรมยาตาแปลว่าความอยากจะทําไม่ใช่อยากจะเสพอยากจะทําฉันทะอยากทําก็อยากทํามันก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องว่าทําไปทําไม ก็จะทำให้มันดีให้มันเกิดมีขึ้นนะสิเนี่ยก็หมายความที่อยากทาก็คือไอ้นี่มันยังไม่ดีนั่นมันยังไม่ดีอมันน่าจะเป็นอย่างงั้นมันน่าจะเป็นอย่างงี้เออมันก็ทำให้อยากทำไออยากทำมันสัมพันธ์กันอย่างงี้ทีนี้มันก็เลยโยงกับปัญญาและปัญญาจะทำงานก็อาศัยอยู่ในสมมรถสิการการรู้จักคิดพิจารณา มองโน่นมองนี่ไอ้นี่มันยังไม่ดีมันน่า จ, จะไปแง่นั้นมันทำอย่างนั้นได้นี่นยไมมันไม่เป็นอย่างนั้นนะนี่แหละแต่ว่าตัวเองต้องมีฉันทานเนี่ยพอมีความอยากจะทำให้มันดีว่างั้นคือไอฉันทานอยากทำคืออยากทำให้มันดีอยากทำให้มันดีอยากทำให้มันงามอยากทำให้มันสมบูรณ์อันนี้เห็นอะไรก็มันยังไม่ดีไม่งามไม่สมบูรณ์ไปเห็นอะไรมก็ มันน่าทำไปหมดนี่แหละทีนี้พอมันไปโยงกับไอ้ความชำนาญของตัวเองเขาก็สอดคล้องกันเลยอนี้จะไปเอาฉันท่าจากเพียงวิชาไม่ได้ไอ้นั้นมันฉันท่าสำหรับจะเรียนเรียนเรียนเรียนไปก็อยู่กับตำรามันต้องออกสู่ของจริงไอ้ตำราก็หมายความเรารู้เข้าใจหลักวิชา ชันทะเทมันจะออกมามันต้องมาสู่ความเป็นจริงในโลกนี่แหละนะก็เห็นสิ่งทั้งหลายแล้วถ้ามันไปตรงกับไอ้เรื่องวิชาที่เราเรียนหรือเราถนัดเข้ามันก็ได้เรื่องเลยนะก็เห็นอันนั้นอันนี้มันก็น่าทํามันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างงี้อย่าทำไมมันยังไม่เป็นตั้งตอนทำให้มันเป็นอย่างนั้นก็คือทําให้มันดีทําให้มันงามทําให้สมบูรณ์นัะนแหละอันนี้แหละ กฉันทะมันก็เป็นตัวแรงแรงในจิตใจแรงเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มแล้วก็มีปัญญาเป็นชี้บอกว่าจะทําอะไรนี่ไอ้ปัญญามันเดินได้พออยู่ในโศมรจิการรู้จักจคิดพิจารณาอัน น, นั้นก็สองอันมาเข้าคู่กันเมื่อไหร่ก็ท่านก็เดินหน้านนมีฉันทะแล้วมีโยู่ในโศมริการไปเลยทีนี้เนีย นี่ไม่ใช่อยู่ก็แค่ตำราอยู่ก็แค่ตำรามันก็ไม่ค่อยไปไหนละก็แปลว่าเราก็มีความรู้มีความสามารถเป็นทุนอยู่ในเรื่องนั้นแหละพร้อมที่จะทาแต่มันมองไม่ออกว่าจะทำอะไรมันต้องมาอยู่กับไอสภาพที่เป็นจริง <c oughs> นั่นก็ตอนนี้ท่านมีทุนดีอยู่แล้วฉะเรียนสถาปัตย์ใช่เออมีความพร้อมอยู่ในตัวแต่ว่าจะออกมาสู่การปฏิบัติก็คือเนี่ย ให้มาเห็นสภาพที่เป็นจริงสิ่งที่จะทําเรามีความรู้ที่จะทําแต่สิ่งที่จะทํายังมองไม่เห็นว่าจะทําอะไรนีนั่นก็เอาเราก็ท่านจึงให้ใช้อยู่ในสซมารสิกาอยู่เสมอแต่ถ้าลองมีฉันทาจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันมองเห็นคือมันก็เพราะว่าไอ้ความอยากความต้องการอันเนี้ยมันต้องการให้มันดีให้มันงามให้มันสมบูรณ์ อะไรมันยังไม่ดีไม่งามไม่สมบูรณ์ก็อยากจะทําให้มันดีให้มันงามให้มันสมบูรณ์ให้ได้ให้เต็มสภาวะที่มันควรจะเป็นแค่เห็นพื้นบ้านไม่สะอาดใจมันก็ไม่ยอมรับแหละใจมันก็ต้องอยากให้มันดีให้มันงามให้มันสมบูรณ์ให้มันเรียบร้อยพวกมีชั้นท่านนี่จะทนไม่ได้เห็นพื้นไม่สะอาด ก็ต้องไปเอาไม้กวาดมาเลื้มกวาดนีมันก็เลยมีไอ้เนี่ยตัวแรงอยู่ข้างในที่จะทำผลักดันให้เกิดกายการะทาขึ้นมานี่แรงผลักดันกายกระทําพราเกิดกายการะท า, าที่มันเป็นไปเพื่อความดีงามความสมบูรณ์ก็กลายเป็นสร้างสารรค์ไปเท่านั้นเองเนี่ยเพราะมัน Mine. ตรงข้ามกับทาลายอันนี้มันอยากทําเพื่อให้มันดีให้มันงามให้มันสมบูรณ์นั่นก็ เอาเนี่ยไอตัวโยงวิชาที่เรียนออกมาสู่ภาคปฏิบัติโดยมีฉันทะในสภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายของสถานการณ์ถ้าเป็นฝ่ายสถาปัตย์ก็เป็นเรื่องของการสร้างใช่ไหมก็มองอะไรแต่อะไรเนี่ยว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำนี้เนี่ยมองมองเห็นอะไรมันก็ เดี๋ยวทำพลอยบ่อยๆมันก็เห็นเป็นภาพไปหมดไอ้นี่มองอย่างงี้เออมันเป็นภาพอย่างนั้นขึ้นมาได้ใช่ไหมมันมองเป็นภาพออกมาเลยก็อยากจะทําให้มันเป็นไปตามที่ตัวเองได้คิดขึ้นมานั้นเนี่ยอันนี้ก็ไปหาทางทํำยังไงไปวาดไปอะไรแต่ละคิดมันก็มีทางออกเดินหน้าไปพอจะเห็นช่องไหม <laughs> ออกสู่การปฏิบัติอย่าไปอยู่กับแค่ตำราเอาช่วยกันถามต่อสิให้มันจะได้มีแง่มุมออกไปกรับขอโอกาสพระเดชพระคุณนะครั บ, รบจากตอนนั้นที่ เ, เรื่องตัณหามานะแล้วก็ทิฏฐิะครั บ, รบแล้วก็คราวนี้พระเดชพระคุณคก็จะถามวิธีแก้ ตันหามานณาทิฐิที่พระเดชพระคุณบอกว่าให้ให้ทานให้ให้เกียรติให้โอกาสอันนั้นถือว่าเป็นทางแก้ไหมครับแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่มีพวกนี้เยอะๆแล้วถ้าเรายิ่งให้ไปเนี่ยมันก็ไ ม, ไม่ไม่เป็นการทําให้เขาเหลิงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับพระเดชพระคุณก็นี่แหละถึงบอ ก, กต้องให้ได้ปัญญาเพราะว่าถ้าให้ได้ไม่ดีก็ประมาทประมาทก็กลายไปเป็นเส ร, ริมปัญหาสิใช่ไหม เออคนอย่างน้อยก็ทําให้คนขี้เกียจไอ้คนไม่รู้จักพอนะครับพวกเนี่ยไอ้คนขี้เกียจอีกนะีเลยไม่ต้องทําอะไรนอนกินไปเลยเนะี่ยเราก็ให้เรื่อยไป น, นั้นไม่ได้ท่านจึงบอกวิจั ย, ยทานนังสุขสุขตับประสัตถังแปลว่าทานที่ให้โดยวิจัยน ะ, ะต้องวิจัยก่อนวิจัยแล้วจึงให้ จึงจะได้รับการสระเสริญจากพระบุตรเจ้ามันจะให้เลื่อยเปื่อยนี่ไอที่ว่าในกหมายความว่าเป็นเชิงสังคมมันเป็นทางหนึ่งในการที่จะผ่อนไม่ให้เต้าตันหามานทิทิเนี่ยมาออกพิษภัยในทางสังคมไอที่ผมพูดไปเรื่องให้นะยังไม่ได้หมายความว่าแก้หมดหรอก เพราะว่าตัณหามนาทิฏฐินี้มองในแง่กว้างแล้วมันเป็นตัวสร้างความขัดแยง้งทาให้เกิดปัญหาการเบียดเบียนแย่งชิงในหมู่มนุษย์เพราะนั้นก็เลยว่าให้เอาไอ้พกการให้แบบที่ว่าเนี่ยมาช่วยแก้อย่างน้อยก็บรรเทาเพราะว่าคนมันมีความโน้มเอียงในการที่จะเอาเพืดตัวก็ตัณหาก็เอาเพื่อตัว นีแล้วก็มานะก็ให้ตัวยิ่งใหญ่แล้วก็ทิฏฐิก็ยึดติดแต่ความเห็นของตัวเองคนอื่นจะต้องยอมรับต้องยอมตามนี่พอเราเอาไอ้วิธีให้แบบนั้นมาช่วยมันก็ไปแก้ความขัดแยง้งใช่ไหมแล้วเราก็เลยไม่ตกอยู่แต่หน้าตาเกินไปแต่มานะทิฏฐิด้วยก็หมายความว่าแทนที่จะคิดแต่จะเอาคิดให้ซะบงัง ไอ้ความคิดจะให้มันมาไอ้ความคิดจะเอามันก็หายไปนะีมันก็เลยไปคล้ายๆว่ามีตัวที่ชิงชิงที่ได้ก่อนคือความคิดของเราในสมองนี่เหมือนกับเป็นที่ฝ่ายกุศลกับฝ่ายกุศลนั้นใครได้ที่ก่อนอีกฝ่ายก็เข้าไม่ได้ทีนี้เราเอาฝ่ายกุศลเข้าชิงที่ไว้ก่อน จะเรียกชิงอะไรชิงที่หรือชิงแดนชิงอะไรก็ไม่รู้เนก็เข้าคลองอเข้าคลองไว้ก่อนเข้าคลองดินแดนไว้ก่อนแล้วอีกฝ่ายเข้าไปได้นี่ความคิดจะให้มาซะก่อนไอความคิดจะเอามันก็เลยเงียบไปแล้วก็นอกจากนั้นมันก็ดีในแง่ที่มาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทางสังคมเนช่วยให้คนอื่นได้รับการช่วยเหลือ ทําให้จิตใจเขาดีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ ก, กันก็เลยบอกอา้าวตัญหาเราก็เอาให้ของมาแก้แล้วมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมาป้องกันความขัดแย้งในสังคมแล้วก็มานะก็ให้เกียรติกันซะแล้วก็ทิฏฐิก็ให้โอกาสในการแสดงความรู้ความคิดเห็นกันมันก็เบาๆไปนีอันนี้ก็เป็น ส่วนหนึ่งในวิถีทางเขาการฝึกตนด้วยเราก็ทำบ่อยๆแต่ว่าพร้อมกันนี้ก็คือพอเราเริ่มจากการปฏิบัติธรรมะอันใดอันหนึ่งแล้วเนี่ยก็เป็นการให้โอกาสแก่การนำเอาธรรมะข้ออื่นเข้ามาใช้มันก็บอกเราจะให้ของละตอนนี้เราก็เรียกร้องปัญญามาช่วยแหละอเอ อ, เ อ, อปัญญาว่าจะให้ยังไงดีจึงจะเป็นประโยชน์เนี่ย เออให้ไม่ดีแล้วคนนี้จะขี้เกียจหรือคนนี้จะยิ่งรู้ไม่รู้จักพอก็อยากจะได้ไมันรู้จัจบเออเราให้นสมเหตุสมผลไมหรือจะให้ยังไงจึงจะไม่เกิดโทษให้ก็ป้องกันโทษไปด้วยอะไรเงี้ยปัญญาเข้ามาไม่ใช่มาตัวเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ม า, าเฉพาะให้นะีปัญญาต้องมาแตา่โดยปกติแล้วปัญญาจะต้องมาทุกกรณีสติก็จะ ทำงานใช่ไหมเพราะว่าปัญญามาันจะมาได้ยังไงสติมันต้องมาสติเป็นตัวที่ตั้งหลักตั้งหลักแล้วตั้งจุดเริ่มเอ๊ะสะดุดหยุดก่อนจะให้สติบอกเดียวพิจารณาก่อนานั้นนี่นี่สติบอกแล้วพอสติบอกว่าเดียวๆๆๆ ต้องพิจารณาก่อนนะดึงปัญญามาละปัญญาก็มาทำงานใช่สตินี่เป็นตัวตั้งหลักให้เป็นตัวตั้งจุดเริ่มให้แล้วจะพาให้ธรรมะต่างๆมาก็คือไม่ประมาทไงพอไม่ประมาทมีสติปั๊บเนี่ยธรรมะทั้งหลายก็มาทำงานได้หมดแต่ว่าตัวสำคัญที่จะต้องเรียกว่าขาดไม่ได้ทุกสถานการณ์ก็คือปัญญา ส่วนตัวอื่นก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะแต่ว่าแล้วแต่ว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกับธรรมะข้อไหนตอนนั้นก็จะต้องเรียกมาใช้นะแต่ไอปัญญาที่ ต, ต้องใช้อยู่เลยแต่สติเป็นตัวเริ่มให้ก็เพราะนั้นท่านจึงบอกสติสัพพัท ธ, ธปฏิยานะีบอกว่าสติจําปรารถนาในทุกกรณีจําปรารถนาหมายความว่าจําเป็นต้องใช้น ต้องมีสติทุกกรณีแค่จะเดินมันก็ต้องมีสติไม่มีสติก็เดี๋ยวก็เดินออกรอกหลุดออกทางไปนก็เอาเป็นว่าเราก็เอาอันนี้มาฝึกวัตถุประสงค์ขั้นแรกก็คือเพื Öyle> ่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมนุษย์เพื่อการอยู่ร่วมกันโดยมีมิตรไมตรีแล้วก็ไม่สร้างความขัดแย้ง แล้วต่อจากนั้นก็ฝึกตนแล้วก็อย่าลืมที่ในการฝึกตนก็คือการนํเอาธรรมะข้ออื่นมาใช้เพื่อจะให้กระบวนการมันเดินไปสู่ความสําเร็จที่เป็นประโยชน์แท้จริงทำไงจึงจะเป็นประโยชน์แท้จริงมันก็ต้องธรรมะมันก็ต้องมากันครบกระบวนไม่ใช่มาตัวใดตัวหนึ่งน